การปฏิบัติมันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการสอนเนี่ยทาให้เกิดการคิดเห็นการคิดเห็นมันอยู่ไกล ย, ยังเอาไปใช้ไม่ได้แต่ว่าการพบเห็นใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีทนทแล้วก็เป็นของที่อยู่ใกล้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 ร่วงมากเกิดไปอยากรู้จึงทำไม่อยากรู้ก็ไม่ทำถ้าทำเวลาใดก็เกิดความอยากขึ้นมาแต่เมื่อความอยากแล้วมันก็เกิดอะไรมาเองเมื่อไร่มันจะรู้เมื่อไรมันจะรู้รรทำไมมันจึงไม่รู้หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วมันก็ต่อไปเอถ้าอยากรู้ก็มีอะไรที่มามาร่วมเยอะแยะเต็มเลยดีไม่ดีอยากรู้ก็กลายเป็นความหลงไปเลย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 นอกจากความรู้สึกแล้วไม่ใช่แต่เดินมารู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วเดินให้มันลุกศึกตัวสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้มันลูกศึกตัวแค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตรงนี้เรา ก, ก็จะไปหามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปอ่าลำดับลํานําอะไร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 เพื่อให้มันชัดกับปริบบ ท, ที่เราสร้างกระดิกหัวใส่ด้วยก็ยิ่งดีถ้ามันไม่ชัดนะถ้ามันเพลียามันเป็ น, ป น, ปนสิ่งที่เราทำได้ไม่มีใครดอกที่ยกมือสร้างเชื่ว่าไม่รู้ไม่มีถ้าเราอยากรู้เอาเขาไม่อยากรู้ตังหาเขาก็ปล่อยความคิดตาหลงไปเฉย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 เก่งที่มันไม่ลู่ลหละสเตย์เวาใดมันไม่ลู้มันลู่อ่ะมันเก่งมากแล้วใช่โอกาสท่านให้มากแล้วก็มีโอกาสนั่นอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมใช่ไหมพี่ปฏิบัติขง่วงเนาะง่วฟัดง่องเวยกันมันก็เก่งจากนั่นแหล ะ, ะถ้าหลวงพ่อคิดนะไม่ใช่คิดนะไม่มีใครที่ไม่ง่วงนอนไม่มีใครที่จะไม่คิดปกปนคุ้คิดคิดทุกคน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 มาแต่นาเวลานี้แล้วดูนี่แหละไปทํานามากําลังจะ น, นอนนี่แหละคานลงมาหาหลวงพ่อคานลงมามึงไม่รู้จะกูหรือบอกใจน้อยนี่ <c oughs> กูนี่แหละมาเหตุสัจหลักเมืองประัตรนั่นบ่กให้สุดมึงจะมาข่มมางงาผู้หรือขนาดนั้นขานนั่นมันก็ไม่รู้เลยมันก็เคยท่องคาถาใช่ไหมไล่ถี เอาไงรออิทโฮสมยุตนยันต์อิสันโตสวัสดิ์ขยันสรองนุปโตอิทธิมันตังตีนาหม่อมก็มันก็โช่บผีได้ป่ะนะพวได้ดาบกันมาโอ้แหศหลักเมืองเลยเนี่ยฟันหัวแม่เลยนี่ตรมก้อยลงไปโอ้ยมึงมาฟันหัวกูจังได้หัวกูบ่เปนแตกเลยเลยโอ้ยบ่ได้ฟันหัวแม่ดอกฟันฟันมาหศหลักเมืองป่ะันคับนี่ โอ้ผมเศราผมผมขาดเลยบางทีมันก็ไปทางนั้นมกันก็โชว์พีมือเหมือนกันเหตุที่มันจะเกิดทำไมเราสู้เราต้องสู้ปัจาอะไรความหลงเนาะความทุกข์ปัจจายอะไรถ้ากูอไรถ้ากูทำไมก็ต้องสู้นี่แหละไม่ค่อยเจ่งนะตัวควงาะเงาห่อนอนไรนี่เราเห็นอะไรเราเติงกรมเราสร้างจังห่ะ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 นั่งหนังหนาวันนี้ก็ม่เอาอยู่แล้วมันต้องปกติหนังอะไรจะมาหนามีดดาบอะไรจะเป็นใบหญ้ามันหมมเมาตัวเองถ้าฟันไเบื่องจะหัวแม่ขาดก็ได้นันก็ประมาทจะได้คนที่เรียนเสรศาสตร์ผิดพลาดมีเหมือนกันนะตีเข่าเพชรกันสักพักหนเนาะพวเรดดาบฟันขาตัวเองนะขาขาดเลยนึกว่าเรีอนจิไม่เหนียวใช่ไหมเงินกันนะ อย่าไปเชื่อฮะถ้ามองมีดเป็นใบจ้าผิดแล้วโอ้ยขวนเสียเลยพอมาลูา่ธรรมะโอ้อาจารย์ไปสอนเราอย่างนั้นพอมาป ฏ, ฏิบัติธรรมกลับไปบ้านอาจารย์บอกว่ามาๆมม า, ม า, ม า, ม า, มานั่งปกผ้าด้วยนี่นี่เจ้าผ้าออกหลายร้อยลกูกคงจะดีแล้วปหาจากหาผ้าก็ไม่นองก็พูดออกไปเลยไม่ได้อะไรโอ้อาจารย์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 ได้ใบประกาศมาห้อยฝาแต่ยังโกรธอยู่ไม่ใช่สติยังหลงอยู่ก็ไม่ใช่สติเอาัยประกาศเป็นวุฒิบัตรเอาไปหลอกกันคนเราก็ชอบหลอกกันมันไม่ใช่ของหลอกสัาธรรมไม่ใช่ของหลอกเป็นของที่ใช้ได้ทันทีไม่ต้องมีเวลาหลอกใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีเป็นของใช้ไม่ใช่ไปโอ้ไปอวดเปงของใจะเวลาใดที่จาเป็นต้องใช้ ใช้ได้ทันทีแล้วก็เป็นสมบัติของกายของใจเสนะี่เป็นสมบัติของกายของใจต้อมหลงไม่เป็นสมบัติของกายของใจหรอกสตีรนี่แล้วเสตร์นี่แล้สร้างเอาสร้างเอากำลังพอมีลูกมีทางไม่มืดไม่มนไม่หลงกำลังเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้กินได้ถ่ายได้ สติสมัมปชัญญะเนี่ยเต้องสร้างพอๆกันกับใช่ชีวิตส่วนอื่นหรือมากกว่าอันอื่นด้วยซ้ำไปเพรมันเป็นแล่มักับเพ้นไปทั้งหมดมนหลชีวิตทั้งชีวิตแต่นี้แต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวจะเข้าเก็บอารมณ์หรือไม่เข้าเจ็บอารมณ์หลักมันก็อยู่ตรงนี้นะแต่หลงไปทางอื่นบางทีมันตกแหลงความรู้มีเหตุมีผลโดย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 ต้นมันแน่นหนาวหนาาเป็นอะเสขะธรรมไม่เสื่อมเลยอนต้นไหวที่เราปลูกไว้จากป่าไม้ที่เราปลูกไว้พอที่จะยึดได้แล้วยึดพื้นที่ได้แล้วยึดพื้นที่เราจะเป็นไปได้แล้วที่จะเป็นป่าขึ้นมาพอมันเกิเดสรากเกิดรองต้นแข็งแรงไม่ต้องลดน้มแล้วต่อไปก็อาจจะไม่ต้องดายหญ้าแล้วพอมันก็สร้างตัวขึ้นม ความถูกต้องกับสร้างความถูกต้องสนงขารมันสดมดุลก็ไปได้เลยเลยอานปฏิบัติธรรมก็มกั น, นมันต้องถ้ามันไปได้มันก็ส่องไม่ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันเป็นอเซคาธรรมะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเซคาธรรมะอเซคาธรรมะใคยได้ยินบ้างว่าต้องขอสวดให้ผีตายเพรว่าจะได้ไหมถ้าสสวันาตสวดให้คนเป็นๆไ ป, ปฟังเขาก็าฟังเลยแต่คอก็ะล่องโป๊ก ออบุนเดอร์พอเดอร์แมเดอร์แกุสลาธรรมะกุชลาธรรมะพภยกัตาธรรมะสุขาเจวะธนาสามประยุนตาธรรมะสุขาเยวะธนาบอกคนเต็มบางคนสอนคนตายเสก้าธรรมะเสก้าธรรมาปะเนาทรรมาอัจฉรตาธรรมาภะเหตตาธรรมาอัจฉรตลมานาธรรมะภเหตตาลมานาธรรม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 อัจชริธรรมาเขาหาตัวเองเอ่ตัวเองมันโกรธหรูอรู้สึกตัวหยุดปัดชัตรตาเขาหยุดได้ทันทีได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องของเราเรื่องคนอื่นทำไมได้